พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบองพระสูตรที่สามธรรมทายาทสูตรสูตรว่าด้วยผู้รับมรดกธรรมพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้รับมรดกธรรมคือธรรมทายาทอย่าเป็นผู้รับมรดกอามิ t h คืออามิสทายาทแล้วตรัสยกตัวอย่างว่า พระองค์ฉันพระกรยาอาหารเหลือภิกษุสองรูปหิวเป็นกำลังมาเฝ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตว่าถ้าจะฉันก็ฉันได้ถ้าไม่ฉันก็จะทรงเททิ้งรูปหนึ่งทนหิวไม่ฉันด้วยระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่ให้รับมรดกธรรมไม่รับมรดกอามิตรอีกรูปหนึ่งฉันอาหารที่เหลือนั้นตรัสว่า ทรงสรรเสริญภิกษุรูปที่ยอมหิวมากกว่าเมื่อพระศาสดาสเสด็จหลีกไปแล้วพระสาวรีบุตรได้ตั้งปัญหาถามภิกษุเหล่านั้นว่าด้วยเหตุเพียงไรสาวกจะชื่อว่าไม่ศึกษาหรือศึกษาวิเวกคือความสงัดในเมื่อพระศาสดาเป็นผู้สงัดแล้วภิกษุทั้งหลายขอให้พระสาวรีบุตรตอบเอง พระสารีบุตรจึงเฉลยว่าเมื่อพระศัสดาเป็นผู้สงัดแล้วแต่สาวกไม่ศึกษาความสงัดไม่ละธรรมะที่พระสาสดาสอนให้ละเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเห็นแก่หลับนอนทอดทุระในความสงัดไม่ว่าจะเป็นภิกษุผู้เทระปูนกลางหรือบวชใหม่ก็ถูกติเตียนโดยฐานะสามเหล่านี้ถ้าพระศ ส, สดาเป็นผู้สงัดและสาวก ศึกษาความสงัดละธรรมะที่พระศาสดาสอนให้ละไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอธทุระในการหลับนอนมีความสงัดเป็นเบื้องหน้าก็เป็นที่สรรเสริญโดยฐานะสามทั้งภิกษุที่เป็นเทระปูนกลางและบวชใหม่ครั้นแล้วได้แสดงทางสายกลางคือมักมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้นสำหรับละธรรมะที่ชั่ว คือ 1. ความโลภและคิดประทุษร้าย 2. ความโกรธและผูกโกรธ 3. ลบหลูบบุญคุณท่านและตีเสมอ 4. พริษยาและตรณีหามายาและโอ้อวด 6. ก, กระด้างและแข่งดี 7. ถือตัวและดูหมิ่นท่าน 8. มัวเมาและประมาท ธรรมะฝ่ายชั่วเหล่านี้เมื่อคิดเป็นรายข้อจะรวมเป็น16บหข้อเรียกว่าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันจะปรากฏในวัตถุประมสูตรที่เจ็ดในเล่มที่ส2บสองนี้ในที่นี้แสดงควบข้อละสองประการตามสำนวนบาลีเฉพาะสูตรนี้